เ้าเป็นวันวิสาขาบูชาก็อยากโยมมาปร้อมกันเพราะนั้นผู้ใดมาถึงเข้าก็ ว, ว่ากันไปตามเรื่องซะก่อนเล้วอหมู่ใหญ่แทะกระทางกรุงเทพคงจะมาถึงตอนค่ำท่าก็าคงเตรียมอาหารไว้ต้อนรับเขาแล้วไม่ใช่เหรอ เตรียมแล้วบอกอ่านั่นเลยคือว่าบรรดาพวกเราที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนานี่หมายความว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังได้อ่านตำรับตำรา แล้วก็ได้เห็นบรรพบุรุษของเราได้นับถือพระพุทธศาสตร์ศสนานี่มาสืบต่อๆกันมามานี่มาถึงพวกเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ในสมัยนี้เราก็มาแสดงความนับถือต่อจากบรรพบุรุษของเรา เพราะฉะนั้นการนับถือนี่ก็ต้องขอให้เข้าใจความหมายของคำว่านับถือ <c oughs> มันก็มีความหมายอยู่คำว่านับถือในที่นี้นะก่อนที่เราจะนับถือบุคคลผู้ใดหรือว่าของสิ่งใดอย่างนี้เราก็จะต้องรู้จักว่าผู้นั้นเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนั้นเราจึงนับถือกันนี่ถ้าหาว่าเราไม่รู้ว่าปฏิปทาหรือความเป็นมาของคนนั้นเป็นอย่างไรมีคุณวุฒิอย่างไรก็ไม่รู้เลยอย่างนี้จูจ่ๆเราจะไปนับถือเอาะไรไม่มีเป็นไปไม่ได้อันนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นการที่พวกเรานับถือพระพุทธเจ้าออนี่มานี่ก็พอเหตุว่า เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาได้สร้างพระบารมีสิบประการมาในสงสารค า, านนานับชาตินับพบไม่ถ้วนอ <c oughs> พระบารมีสิบประการนี้เราก็ควรจะรู้กันนะอ น, นี่ฐานะบารมีเอ ก็องเกลียวทรงบริจาคทานเป็นพื้นอัจฉริยะใมาโทษกาตทุกภพนี่นะอืมนอกจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานแล้วเป็นยังให้ลูกให้เมียเป็นทานอย่างเช่นข้างเป็นพระเวสสันดรนะอินทอาพรามมาขอเมียก็ยกให้ชูชกพราหมมาขอกันหาชลีก็ยกให้ การบาเพ็ญทานของพระโพธิสัตว์ที่วิเศษกลัวทานทั่วๆไปก็อันนี้แหละเพราะคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะให้ทานไม่ได้เลยของเราของอย่างว่านี่นะนั่นเนี่ยจึงเป็นทานนปรมัตบา ร, รมีของพระองค์มันเป็นอย่างนั้นไอเราผู้ที่ไม่ได้ปาสณาเป็นรูกพุดเจ้าก็ไม่ถึงกับได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานอย่างนั้นหรอก ก็สามารถทําบา ร, รมีให้เต็มบริบูรณ์ได้แต่ส่วนผู้ที่จะได้ตัสรู้เป็นอุพเทเจ้านี่ต้องสร้างบา ร, รมีสิประการนี่มาโดยลำดับจนมาถึงชาติสุดท้ายนี่แล้วต้องได้ให้ทานของห้าอย่างพระบา ร, รมีจึงค่อยเต็มบริบูรณ์ดีของห้าอย่างนั้นคือลูกเมียช้างมา้า ราชรถนี่นะของห้าอย่างนี่เป็นเดียว่าเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์เรียว่าเกิดพร้อมบุญบา ร, รมีของพระองค์ก็ว่าได้อันนี้เนี่ยแล้วช่างนั้นก็มีเมืองกะลิงกระราชแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาขอ ขอรับทานจากพระเวทนนรพระเวทนนกทกระรงพระราชทานให้นี่นั่นแหละเราต้องทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทีว่าทานะบา ร, รมีทานะอุปบารมีทานะป ร, ร, รมติถาบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทานอย่างยวดยิ่งซึ่งไม่มีใครที่จะให้ทานได้ อย่างนี้แต่พระโพธิสัตว์เจ้าให้ทานได้ถ้าถ้าไม่ให้ทานของรักของหวงเห็นอย่างนี้แล้วจะพระบา ร, รมีจะไม่เต็มจะไม่ได้สัตว์รูปเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงท้องให้ทานไปศ <c oughs> ีลบา ร, รมีพระองค์ก็ทรงเป็นผู้รักษาศินห้าเป็นนิจจะสินมาแต่บางชาติก็ขาดไปบ้าง อย่างนี้แหละแต่ส่วนมากเรามีศีลแหละ อ, อถ้าไม่มีศีลก็จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้น น, นอกจากศีลห้าแล้วก็ศีลอุโบโสถบางชาติก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ไม่สําเร็จมรรคผลหรอกเพราะขาดความปรารถนาจะบวชเป็นพระ ท่านก็ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพร ะ, ะพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แนะนำสั่งสอนสารสิทธิ์ให้รู้ธรรมรู้วินัยสืบต่อพระพุทธศาสนาไป <c oughs> นอกจากการรักษาศีลดังกล่าวมานี่แล้วก็การประพฤติพรหมจรรย์ที่เรียกว่าเนกข ม, มะบ ร, รมี พระองค์ก็ได้ทรงออกบวชมาหลายชาติหลายภพออกบวชเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาบ้างออกบวชเป็นพริศีดาบทบำเพ็ญฌานอยู่ในป่าบ้างตนี้นะเนี่ยเนียอันตีพระโพธิสัตว์เจ้าทรงบำเพ็ญเนกขมะบ ร, รมีนะอา้าวทรงบำเพ็ญปัญญาบ ร, รมีเช่นอย่างชาติเป็นพระโมโหสดบัณฑิตนั่นชาติชาตินั้นได้ทรง บำเพ็ญปัญญาบา ร, รมี <c oughs> แต่ว่าในยุคนั้นน่ะไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอกับพระมโหสถบัณฑิตได้เลยแล้วก็ไม่มีใครจะมีปัญญายิ่งกว่าพระโมโหสถ น, น, นั้นเลย น, น, นี่แหละเ ม, เมื่อมีปัญญาฉั้นก็สามารถช่วยคนทั้งหลายได้ช่วยให้คนละความชั่วทำความดีได้ ช่วยให้คนพ้นจากปาจจิบัติต่างๆได้ด้วยรพระปัญญาของพระมโหสถเองอนนชาตินั่นแ่ะบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีบันนี้ก็ทรงบำเพ็ญขันติบา ร, รมีชาติเป็นพลฤษีดาบทชาตินั่นขันติวาธีดาบทพระราชาในสมัยนั้น ใจดำเป็นคู่เวรกับพระองค์คือสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตเนี่เที่ยวไปในสวนอุทยานไปเห็นพฤหษีอยู่ในสวนอุทยานนางสนมไปนั่งห้อมล้อมอยู่ไม่พอใจจึงได้เข้าไปถามคฤหษีมีคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจ พฤษีก็ตอบพระราชาว่ามีขันติธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจขันติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท่ามกลางอกข่านนี้ก็เอาเท้านั้นเตะหน้าอกของพฤษีให้ล้มลงเสร็จแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เอาขวานมาําแหละหน้าอกเพื่อจะดูขันติธรรม พระฤษีก็เลยถึงแก่บรณภาพไปพระราชาเมื่อทากับพระดาบทอย่างนั้นแล้วเสด็จดำเนินออกจากสวนอุทยานไปขอพ้นจากสวนอุทยานแผ่นดินก็แยกสูบเอาไปไหมอยู่ในเอเวจีมหานรกในชาตินั้ น, น, นพระเทวทัต <c oughs> ส่วนคันติวาธีดาบทก็ไปเกิดสวรรค์อย่างนี้แหละ นั่นเรียก ว, ว่าชาตินั้นเป็นชาติบำเพ็ญขันติบารมีขันติอุปปารมีตลอดขันติปรมัตถบารมีรมเรียก ว, ว, ว่าความอดอย่างยิ่งนะอดเอาจนว่ า, อายอมใครจะฆ่าก็ยอมไม่ฆ่าไม่หวั่นไหวนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันก็สู้กันเนี่ย สู้กันจนตายโน่นนะอในเขาก็เราต้องตายอย่างนี้แต่พระดาบุเจ้าไม่ไม่สู้เอา้าจะทําอะไรก็ทําไปนั่นแหะจึงเป็นบารมีอันยอดเยี่ยมของพระองค์นะวนี้ก็ทรงบําเพ็ญวิริยะบารมีวิริยะบรา ร, ะบรมีนี่เอยังจําไม่ได้เลยวิริยะบารมีนี่ในสวัสติไหน ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีภาคเพียรละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในพระคนธสันดานแล้วก็เพียรแนะนําสั่งสอนประชาชนให้ละชั่วทําดีตามเนี่ยทุกชาติมาแต่ว่าชาตินั้นเดียว่ามีความเพียรมากกว่าทุกชาติ เ, เมื่อเมื่อสร้างวิทยะบารมีระวนี้ก็ สั่งอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีนี่แปลว่าจะทำอะไรนั่นต้องอธิฐานในใจว่าขอให้การกระทำของเราในครั้งนี้จงสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีอย่าให้มีอุปสรรคขัดข้องอะไรต่ออะไรอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมานี่ยมาแต่อย่างนี้นะพระโพธิสัตว์จำเอา คติธรรมของพระโพธิสัตว์ให้ได้อันพระโพธิสัตว์ท่านไม่หลงไปเชื่อเลือกดียามดีเคาะดีก็าะไรกับศาสนาพราหมณ์ที่เขานับถือกันอยู่ในโลกนั่นฮไม่หรอกพระโพธิสัตว์ไม่หลงไหลไปถืออย่างนั้นพระโพธิสัตว์ย่อมเชื่อบุญญาบารมีของตน น, นั่นเองดังนั้นเมื่อดําเนินชีวิตไปหักหิดขัดในชีวิตอย่างไรก็ ทรงตั้งสัจจ้าอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่ตนได้บำเพ็ญมาถ้าหากว่ามีจริงแล้วก็ขอให้อุปสรรคความขัดข้องต่างๆวันนี้จงลุล่วงไปด้วยดีนี่ส่วนมากใน ต, ตำราท่านกล่าวไว้เพราะว่าบารมีของโพธิสัตว์นี่มันมากในเรื่องมันพอพระโพธิสัตว์อธิษฐานถึงบุญญาบารมีอย่างนั้น ก็ไปบรรดาลให้พยาอินล่วงรู้เข้าไปไปบรรดาลให้แท่นกําพลศิลาอาจอันเป็นที่นั่งของพยาอินแข็งกระด้างพยาอินเลงที่มานี่ลงมาก็รู้ได้ว่านั่นพระโพธิสัตว์กาลังมีความขัดข้อ ง, อ ย, งอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แล้วพยาอินก็ลงมาช่วยนี่แหละอันเทวดานั่นเลยว่าช่วยแต่คนมีบุญนะคนไม่มีบุญเทวดาช่วยไม่ได้ นี่ถือเอาใจความอย่างนี้เอวใจความอย่างหนึ่งก็อย่างที่ว่านั่นนี่พระโพธิสัตว์ไม่เชื่อเลิกดียามดีเคราะดีเพราะไรไม่ไม่มีการเส้นวงสรวงบูชาเทวดาอินพรหมหรือผีสางคางแดงอะไรต่ออะไรไม่มีอพระโพธิสัตว์เชื่อบุญญาบารมีของตนนี่ <c oughs> เรียกว่าอธิฐานะบารมีฉะนั้นพวกเราเป็น ราพุดธก็ต้องบำเพ็ญอธิฐานบารมีตามพระองค์ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาบารมีคือพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตใจให้น้อมใจไปมีความรักใคร่เอ็นดูต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยนั่นเนี่ย <c oughs> ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันกันกบเราเราก็รักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์แม้สัตว์อื่นและบุคคลอื่นก็ขอจะได้มาเบียดเบียนเราให้เป็นทุกข์ <c oughs> ขอให้ต่างคนต่างก็ รักษาตนให้พ้นจากภัยพิบัตอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดมันนึกอย่างนี้เสมอเสมอไปนั่นแหละเดี๋ยวว่าจเจริญเมตตาบารมีไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์นะอันเจริญเมตตาหมู่นี่นะคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องจเจริญเมตตาเหมือนกันต่างแต่ว่ากว้างหรือแคบกลัวกันเท่านั้นเอง บารมีของภาษาวกนี่แคบกว่าพระพุทธเจ้าอนุบาเปรียบกันไม่ค่อยได้ละเ <c oughs> ช่นภาษาวกนี้ในตำราท่านกล่าวไว้าสร้างบารมอีออย่างน้อยแสนกับเรียว่าสร้างบารมีไปเ ต, เต็มแสนกับก็เต็มบริบูรณ์เป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่ภาษาวก ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นอย่างท่านปราถนาเป็นอัคคสวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ า, านี่เลยต้องสร้างบารมีให้มากกว่านั้นอีกจึงจะเต็มได้สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วมีอยู่สามประเภทจําพวกปัญญาธิกะการสร้างบารมีอยู่สีอสงไขยรายแสนมหากัปได้เกิดพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละจําพวกศรัทธาทิกะ มีความเชื่อนำเนินไปในการสร้างบา ร, รมีอันนี้ก็สร้างบา ร, รมีอยู่แปดอสงไขยลายแสนหมากลับจึงค่อยเต็มจำพวกวิิยะบา ร, รมีนี่สร้างบา ร, รมีโดยอาศัยความภาคเพียนเป็นที่ตั้งทำอะไรทำให้ละเอียดละอ่ำทำให้ปา น, นิษย์บรรจงจริงๆนี่นะอะ่สอนคนก็เพียนพยายามสอนจริงๆอ่ะ ต้องอาศัยเวลานานเขาว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้สร้างบา ร, รมีแบบวิทยาธิการนี้จึงต้องนานสี่พกอสงไขยรายแสนมหากรับนี่แหละเป็นอย่างนี้ธรรมดาพระพุทธเจ้านี่นะได้สร้างพระบารมีนานกว่าภาษาวกจังเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจแต่ละพระองค์จึงปรากฏคุณพิเศษต่างๆ มากมายท่านเรียกว่าทศพลยานมีพยานถึงสิบประการมีปุเพนิวาสารสยานสานุสติยานเป็นต้นมีพระสะยุญสัญญาณเป็นที่สุดอันนี้ประวัติความเป็นมาของพทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างบา ร, รมีสิบประการ นอกจากเมตตาบารมีแล้วก็เป็นอุเบกขาบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าสร้างอุเบกขาบารมีนี่หมายความว่าเมื่อเวลาตนเองก็ดีหรือผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอะไรผัวอะไรก็ตามเลยเกิดความมิบัติขัดข้องต่า ง, ง, งนานานะ พยายามช่วยเหลือเอาสะเต็มความสามารถแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เมื่อไม่สามารถช่วยเหลือให้ พ, น พ, ยพย้นภัยพิบัติอันตรายต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ท่านก็นึกถึงกรรมวนนี้ อ, ออันนี้เป็นกรรม เ, เวรของผู้นั้นเองเมื่อกรรมเวรที่ผู้นั้นได้ทำมาแต่ชาติก่อนหอนหลังนั้นตามมาสนองเอาอย่างนี้นี่มาไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาปัดเป่าได้ช่วยเหลือได้ เพราะอำนาจแห่งกรรมที่เขาทำเองมันก็ให้ผลเองเมื่อพี่นายเห็นอย่างนี้แล้วก็วางอุงเบกขาลงเดี๋ยวาวางใจเฉยไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไปตามบุคคล น, นั่นๆตามวัตถุสิ่งของนั่นๆ น, นอย่างนี้นะฝึกใจให้เป็นกลางอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์นะแม่ผู้ผู้ไม่ใช่โ พ, พธิสัตว์ก็ต้องสร้าง โอเบกขาบา ร, รมีเหมือนกันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต่างแต่มากและน้อยกั๋วกันเท่านั้นเองนะต้องสร้างบา ร, รมีสิบประการเหล่านี้นะก็คอยพากันตั้งอกตั้งใจสร้างบา ร, รมีสิบประการนี้ให้เกิดแห้่มีขึ้นในตนอย่าได้พากันปมหมาดเพราะว่าบา ร, รมีสิบประการนี้ <c oughs> ถ้าว่าโดยตรงแล้วก็ได้แก่กุศลธรรมนั่นแหละเรียกว่าเราบำเพ็ญกุศลธรรมก็ว่าได้ เ, ออเพราะว่าเส้นอย่างทานะบา ร, รมีการให้ทานนี่เราเชื่อกันแหละว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงเอา้าวสีเราบารมีการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดสามารถรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ไม่ประพฤติล่วงสุดศีล ที่ตนสมทานมาแล้วอันนี้ก็เป็นบุญบา ร, รมีอันหนึ่งนี้เอ่ต้องคิดให้มันเห็นไม่ใช่ว่ารักษาศีลไปธรรมดาเฉยไม่ได้บุญกุศลไม่ใช่อันนี้ลราบุญหลายได้บุญหลายกว่าให้ทานอีกซ้ําน ะ, ะเพราะว่ารักษากายรักษาวาจาไว้ไม่ใช่กายวาจาอันนี้ไปทุกไปตีไปทํามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะ พรอเหตุนั้นถึงได้บุญหลายกว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานนั้นไปอีกในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอภัยทาน mm. ผู้ใดมีอภัยทานอยู่ในใจผู้นั้นก็มีศิ้นบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นและไม่เบียดเบียนวัตถุสิ่งของของคนอื่น mm. ไม่เบียดเบียนของรักของชอบใจของผู้อื่นอะไรหมู่นี้นะอัน mm. อันนี้เรียกว่าสีละบา ร, รมีนะเมื่อผู้ใดรักษาศีลแล้วก็ได้บุญหลายนี่บริเนคข ม, มาบา ร, รมีถ้าว่าตรงๆแล้วก็ได้แก่นักบวชผู้สละทบ้านเรือนออกบวชยิ่งได้บุญหลายการที่ผ้ากายออกจากกามคุณห่างกกลจากรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องทำพาดต่างๆมาได้ เมื่อมาบวชอยู่ในวัดวาอารามแล้วอย่างนี้ก็มาพยายามภาคใจออกจากกามคุณนั้นให้ได้อย่าให้ใจมันยินดีเพลิดเพลินพอใจไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั้นนี่ถ้าถ้าเรามาฝึกใจให้มันภาคจากกามคุณดังกล่าวมานั้นได้ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลมากทีเดียว <c oughs> เป็นบุญมากคำว่าบุญกุศลนั้นหมายความว่ า, าทำให้ใจของเรานั้นเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติสํารวมระวังตามพุทธบัญญัต ด, ดังกล่าวมานี่นะ <c oughs> แล้วก็ทำให้ใจของเราฉาลาดขึ้นมาอีก <c oughs> รู้จัก บาปรู้จักบุญรู้จักคุณจากโทษขึ้นมานี่นะความฉลาดอันนี้ท่านเรียกว่ากุศลธรรมนี่มนเป็น่นงนั้นอ้าทีนี้ปัญญาบา ร, รมีอันบุคคลผู้อบรมจิตใจของตอนให้สงบลงไปแล้วคิดนึกอะไรก็กระจ่างแจ้งดีปลอดโปร่งดีคิดนึกอะไรก็รู้ได้ดีเห็นได้ดีหนุยแจ่มแจ้ง อ น, นี่เรียกว่าอบรมปัญญาบริวญให้เกิดขึ้นก็ยิ่งได้บุญหลายเพราะคนที่จะเอาตัวรอดจากบาปจากความชั่วร้ายต่างๆได้ก็เพราะอาศัยปัญญานี่เองมีปัญญาแล้วจึงสามารถละความชั่วได้คนไม่มีปัญญาแล้วจะละความชั่วไม่ได้เลยคนละความชั่วไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็เพราะขาดปัญญานั่นเอง ดังนั้นน่ะผู้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจนสามารถลากความชั่วทำความดีได้อย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลเลย ม, มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจการสร้างบา ร, รมีนะ่ยไม่ใช่ว่าเพื่อพระสงค์อย่างอื่นก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองขันติบา ร, รมีความอดทนอดกั้นต่างๆหมดนี้ผู้ใดอดทนต่อความชั่วร้าย ของผู้อื่นที่อแสดงมากระทบกระทั่งกับตนยวตนก็ไม่โกรธอดได้ทนได้เอไม่ก่อกรรมก่อเวรให้เกิดมีแก่กันและกันเลยะเช่นอย่างว่าเขาด่ามาเราก็อดเอาไม่ด่าตอบเลยเขาพูดคําหยาบลนต่อมาเราก็พูดคําดีคาอ่อนหวานต่อเขาไปเขาจะเอาตามก็ตามไม่เอาก็ช่าง แต่หน้าที่ของเราก็จะต้องพูดคำอ่อนหวานไปตามผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในใจนี่มันมันเป็นอย่างนั้นความอดทนนี่นะมันเป็นเหตุให้กการทะเลาะวิวาสไม่เกิดขึ้นถ้าไม่อดไม่ทนแล้วมันจะก่อการทะเลาะวิวาทให้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วการงานต่างๆจะสาเร็จรุ่วงไปเลยก็เพราะอาศัยความอดความทนโมนี่นะ กิเลสตัณหาทั้งๆมนี้มันจะเบาบางออกไปจากขิจใจก็อาศัยความอดทนอดกั้นไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดสร้างความอดทนดังกล่าวมานี้ให้เกิดมีขึ้นในใจได้ก็ได้ชื่อว่าสร้างบุญอันใหญ่โตมโหฬารขึ้นในใจแต่คนเรานั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นนี มันถือตามประเพณีของโลกไอโลกแข่งบุตรชนนี่นะเมื่อเขาด่ามาไม่ด่าตอบนี่เสียเปรียบเขาบางเพื่อนฝูงบางคนถูกเขาด่าเพื่อนของชนไปแล้วเพื่อนของชนไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้ยก็ไปว่ากับเพื่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นตัวเมียเอาผ้าถุงมานุ่งซะอ่ะ อย่างโน้นอย่างนี้ไปอันนี้แหละเรื่องไอ้ความสมมุติของโลกอันนี้แหละมนุษย์เรามันมาหลงสมมุติของโลกอย่างนี้นะเหตุนั้นน่ะมันถึงได้ทําชั่วไปจึงได้ทะเลวิวาทติดเทียงกันเป็นกรรมเป็นเวีนต่อกันไปถ้าผู้มีความอด ท, ทนสร้างคันติบารมีในใจแล้วเช่นนี้นี่มันก็จะไม่ได้ทะเลวิวาทไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวีน นี่แหละคันติธรรมนี่นะพากันสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าอย่าฟังแล้ววไปเลยพระบา ร, รมีสิปการในล้วนแต่เป็นข้อสำคัญสำคัญทุกข้อเลยสำคัญต่อชีวิตของเรานะพูดแล้วนะถ้าผูใ้ใดมาสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของผู้นั้นได้ก็ทำให้ใจของผู้นั้นนักแน่นเหมือนอย่างกับแผ่นดินนะี่ จะไม่วันไว้ต่อเรื่องชั่วร้ายต่างๆเลยแลาจะไม่หลงไหลไปทำความชั่วต่างๆได้เพราะพระบารมีทำนี้เมื่อรวมกำลังกันเข้าแล้วมันจะเกิดเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ความอดกับความเพียรจะเป็นคู่กันมเมื่อความอดไม่มีความเพียรก็ไม่มี ในด้านเมื่อเมื่อความอดมีก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีมาประกอบด้วยอดทอนทําความดีอะไรถ้าไม่ไม่ได้ผลรวดเร็วก็เอาช้านั่นแหละภาคเพียนไปอย่างนี้น่ะเหมือนอย่างความเพี้ยนเพียนละบาบละความชั่วออกจากกายวาจาใจแต่ทนละยังเร็วๆไอ้ขาดไปโดยเร็วยังไม่ได้ก็เพียนพยายามละ ให้มันค่อยน้อยลงน้อยลงไปโดยลำดับไปในที่สุดมันก็นหมดไปเองด้วยอำนาจแห่งวิริยะบารมี น, นี่ด้วยอำนาจแห่งขันติบารมีนั่นขันติตะโปตปะสิโนความอดทนอดกัน้นซื่ว่าเป็นตถะธรรมอย่างยิ่งคุว่าเป็นงเป็นเครื่องแผลดเผากิเลสบาปธรรมให้หมดไปอธิฐานะบารมี เมื่อเราอธิษฐานในใจถึงบุญญาบารมีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยหากว่าเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาเราก็น้อมใจอธิษฐานถึงบุญญาบารมีที่เราทำมาหากบุญญาบารมีของเรามีจริงก็จะมาช่วยปดเปลื้องอุปสรรคขัดข้องต่างเหล่านั้นออกไปอีกอย่างหนึง่งเราจะทำความดีอะไร เส้นจะทําบุญให้ทานเราก็อธิษฐานใจลงไปว่าเอาละเราจะตั้งอกตั้งใจทําทานอันนี้ให้สําเร็จรู้ล่วงไปจนได้หรือว่าเอาละเรามีโอกาสได้รักษาศีลเราจะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนีนไปให้บริสุทธิ์จะไม่ทําศีลนี่ให้เศร้าหมองหรือให้ขาดอย่างนี้นะอธิษฐานในใจเนี้ต่อจากนั้นก็สังวรละวางกายวาจาไป ไม่ให้ร่วงพุทธบัญญัติสมทานแล้วเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีก็จะชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งเมตตาบารมีการที่เราจเจริญเมตตาเราให้อภัยแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายใครมาเพียร พ, พยายามทะเลาะวิวาดหาทางทะเลาะวิวาดบาทมังเราไม่เล่นด้วยไม่เอาเราให้อภัยเขาไว้เขาจะด่ามาก็ตาม แล้วเราไปไปพบสัตว์ที่ควรจะจับเอามาฆ่าเป็นอาหารก็ไม่จับไม่ฆ่ามันเอามันไปปล่อยเสียอย่างนี้นะก็เป็นบุญเว้นกุศลไม่ใช่น้อยนั่นแหละไปพบคนยากคนจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีผู้รักษาดูแลอย่างนี้เราสมเรามีเมตตาเรามีคนสามารถช่วยเหลือเขา ให่พ้นจากความเจ็บความป่วยอันนั้นไปได้อก็เป็นบุญกุศลมากมายกับเพราะเมตตานั่นแหละครับเป็นเหตุให้เราได้ทําความดีได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นนี่เพราะฉะนั้นอย่าเมตตาบา ร, รมีจึงชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งอย่าว่านะอย่าว่าไม่เป็นบุญนะ่ะการที่เราสร้างบา ร, รมีเหล่านี้นะ <c oughs> ยังสัจจะบา ร, รมีนี่ ข้ามไปเสียเออสัจจารมีเนี่ยว่าสําคัญมากทีเดีย ว, วอศัจจารมีหมายความว่าเราจะทำมาความดีอะไรก็ตั้งความสัตด์ความจริงใจลงไปเช่นอย่างว่าเราจะรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อเราได้สาทานศีลเอาไว้แล้วก็ตั้งความสัตด์ความจริงลงว่าเราจะรักษาศีลเราจะเว้นจากกรรมมันชั่วเหล่านั้น จะไม่ร่วงเกินเด็ดขาดเลยอย่างนี้เอเมื่อเราตั้งความสัตย์ลงในใจอย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่อยไปพอมันมีเหตุที่จะมาชวนให้ละศินอนั้นเราก็ไม่ละเราไม่ทอดทุลักในศินนั้นถ้าถ้าทอดทุลักในศินก็นับว่าเสียสัตย์เสียสัตย์เราก็เสียศินไปด้วยนี่นเป็นไปอย่างนั้นเดี๋ยวว่าสัจจะบา ร, รมีนี่นับว่าเป็นบา ร, รมีอันสําคัญทีเดียว <c oughs> อเุเบกขาบา ร, รมีการทำใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งได้ใครจะถึงความวิบัติพัดภาคอะไรไปเมื่อนึกถึงกรรมถึงเวรแล้วเราเหลือวิสัยที่จะช่วยได้แล้วก็วางใจเป็นกลางลงไปอันนี้เป็นบุญกุศลอย่างสูงส่งทีเดียว <c oughs> บา ร, รมีทั้งสิบประการนั้น มันก็มารวมลงอุเบกขาบารมีนี่นะสุดท้ายนะขอให้เข้าใจเมื่อเราทําใจเป็นกลางลงไว้ได้ได้อย่างนี้บรรดาบารมีทั้งหลายมีทานะบารมีเป็นต้นมีเมตตาบารมีเป็นที่สุดมันก็มารวมลงที่อุเบกขาบารมีเลยฮนะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจไว้เราต้องภาวนาการที่จะทําใจเป็นอุเบกขาเนี่ย ต้องไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเพ่งใจของตนลงไปให้ใจมันส ง, งบลงไปให้เป็นกลางลงไปอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นอุเบกขาบ ร, รมีได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันพยายามทําแม้เราจะทําใจเป็นกลางอยู่ได้ไม่นานก็ตามก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงส่งของเรา การสร้างบุญกุศลได้แก่การสร้างคิดสร้างใจให้สงบระ ง, งับจากบาปอากุศลดังต่างดังบรรยายมานี่แหละก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุดิลงเพียงเท่านี้